ชนเหล่าใดได้เจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าได้บรรลุอมตะธรรม 3. ชนเหล่าใดมีกายคตาสติเสื่อมชนเหล่านั้นชื่อว่ามีอมตะธรรมเสื่อมชนเหล่าใดมีกายคตาสติไม่เสื่อมชนเหล่านั้นชื่อว่ามีอมตะธรรมไม่เสื่อม 4. ชนเหล่าใดเบื่อกายคตาสติ ชนเหล่านั้นชื่อว่าเบื่ออมตะธรรมชนเหล่าใดชอบใจกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าชอบใจอมตะธรรมหชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะธรรมชนเหล่าใดไม่ประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะธรรมหก ชนเหล่าใดหลงลืมกายยคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าหลงลืมอมตะธรรมชนเหล่าใดไม่หลงลืมกายยคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่หลงลืมอมตะธรรมเจ็ดชนเหล่าใดไม่ได้เสภกายยคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้เสพอมตะธรรมชนเหล่าใดได้เสบกายยคตาสติ ชนเหล่านั้นชื่อว่าได้เสพอมตะธรรม 8. ชนเหล่าใดไม่ได้เจริญกายยคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้เจริญอมตะธรรมชนเหล่าใดได้เจริญกายยคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าได้เจริญอมตะธรรม9ชนเหล่าใดไม่ได้ทํากายยคตาสติให้มากชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้ทําอมตะธรรมให้มาก ชนเหล่าใดได้ทำกายคตาสติให้มากชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ทำอมตะธรรมให้มาก 10. ชนเหล่าใดไม่ได้รู้ยิ่งกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้รู้ยิ่งอมตะธรรมชนเหล่าใดได้รู้ยิ่งกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าได้รู้ยิ่งอมตะธรรมสิอ ชนเหล่าใดไม่ได้กาหนดรู้กายกตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้กาหนดรู้อมตะธรรมชนเหล่าใดได้กาหนดรู้กายกตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าได้กาหนดรู้อมตะธรรมสิบสองชนเหล่าใดไม่ได้ทำกายกตาสติให้แจ้งชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้ทำอมตะธรรมให้แจ้งชนเหล่าใดได้ทากายกตาสติให้แจ้ง ชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ทำอมตะธรรมให้แจ้งเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคอมตะวักที่ยี่สิบจบเอกนิบาตจบ สุตันตปิดดอังคุตรนิกายทุกนิบาทขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งปฐมปัญ น, นาตหนึ่งกรรมกรณวักหมวดว่าด้วยวิธีการลงโทษหนึ่งวัชสูตรว่าด้วยโทษเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้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 โทษสองประการอะไรบ้างคือ 1. โทษที่ผลในภพนี้ 2. โทษที่ผลในภพหน้าโทษที่ผลในภพนี้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นพระราชารับสั่งให้จับโจรผู้มักประพฤติ ช, ชั่วแล้วให้หลงโทษทันน า, นานาชนิดคือเคี่ยนด้วยแท้บ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้างตีด้วยไม้ตะบองบ้างตัดมือบ้าง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 ทำให้นุ่งหนังตนเองเหมือนนุ่งผ้าคีริ้วบ้างทำให้ยืนกวางบ้างทำให้เหมือนเนื้อติดเบ็ดบ้างทำให้เป็นชิ้นเท่ากหาปะนะบ้างทำให้เป็นที่รับน้ําด่างบ้างทำให้หมุนเหมือนกรอนเหล็กบ้างทำให้เป็นตังที่ทำด้วยฟางบ้างราดด้วยน้ำมันร้อนบ้างให้สุนัขกัดกินบ้างให้นอนหงายบนเหลาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่บ้าง ตัดศรีรษะด้วยดาบบ้างเขามีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะกรรมชั่วเช่นใดเป็นเหตุพระราชารับสั่งให้จับโจรผู้มักประพฤติชั่วแล้วให้ลงโทษทันน า, นานาชนิดคือเคี่ยนด้วยแซ่บ้างละถึงตัดศรีรษะด้วยดาบบ้างก็ถ้าเราเองพึงทำกรรมชั่วเช่นนั้นพระราชาพึงรับสั่งให้จับเราแล้วให้ลงโทษทันน า, นานาชนิดอย่างนี้ คือขี้เนด้วยแทะบ้างและถึงตัดศรีรษะด้วยดาบบ้างเขากลัวโทษที่ผลในภพนี้ไม่เที่ยวแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นๆนี้เรียกว่าโทษที่ผลในภพนี้โทษที่ผลในภพหน้าเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าผลของกายยทุจริตเป็นผลที่เลวซามเป็นทุกข์ ซึ่งบุคคลจะต้องได้รับในภพหน้าแน่นอนผลของวจีทุจริตเป็นผลที่เลวสามเป็นทุกข์ซึ่งบุคคลจะต้องได้รับในภพหน้าแน่นอนผลของมโนทุจริตเป็นผลที่เลวสามเป็นทุกข์ซึ่งบุคคลจะต้องได้รับในภพหน้าแน่นอนก็ถ้าเราเพึงประพฤติชั่วทางกายประพฤติชั่วทางวาจาประพฤติชั่วทางใจความชั่วบางอย่างนั้น พึงเป็นเหตุให้เราหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเขากลัวโทษที่ให้ผลในภพหน้าจึงละกายทุจริตบําเพ็ญกายสุจริตละวจีทุจริตบําเพ็ญวจีสุจริตละมโนทุจริตบําเพ็ญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์นี้เรียกว่าโทษที่ให้ผลในภพหน้าภิกษุทั้งหลาย โทษสองประการนี้แลเพราะเหตุนั้นแหลเธอทั้งหลายพึงสำเนีกอางนี้ว่าเราจักกลัวโทษที่ผลในภพนี้จากกลัวโทษที่ผลในภพหน้าจากเป็นคนคลาต่อโทษมีปกติเห็นโทษโ ด, ดยความเป็นของหน้ากลัวเธอทั้งหลายพึงสำเนีกอางนี้แลบุคคลผู้คลาต่อโทษมีปกติเห็นโทษโ ด, ดยความเป็นของหน้ากลัว พึงหวังเหตุแห่งความหลุดพ้นจากโทษทั้งมวลได้วัชสูตรที่หนึ่งจบ 2. ประธานสูตรว่าด้วยความเพียรที่เกิดได้ยากภิกษุทั้งหลาย ความเพียรที่เกิดได้ยากในโลกสองประการนี้ความเพียรสองประการอะไรบ้างคือ 1. ความเพียรของผู้ครหัตผู้ครองเรือนเพื่อทำให้เกิดเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค 2. ความเพียรของผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเพื่อสละทิ้งอุปธิทั้งปวงความเพียรที่เกิดได้ยากในโลกสองประการนี้แหล บรรดาความเพียรสงประการนี้ความเพียรเพื่อสละทิ้งอุปธิทั้งปวงเป็นธรรมยอดเยี่ยมเพราะเหตุนั้นแหลเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราจะเริ่มตั้งความเพียรเพื่อสละทิ้งอุปธิทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้แหละประธานสูตรที่สองจบ สตปั น, นิยสูตรว่าด้วยทำที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนพิกษุ์ทั้งหลายทำที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนสองประการนี้ทำที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนสองประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. ทำแต่กายยทุจริต 2. ไม่ได้ทำกายสุจริต 1. ทำแต่วจีทุจริต ส, สองไม่ได้ทำวจีส er. ุจริตหนึ่งทำแต่มโนทุจริตสองไม่ได้ทำมโนสุจริตเขาเดือดร้อนอยู่ว่าเราทำแต่กายทุจริตไม่ได้ทำกายสุจริตทำแต่วจีทุจริตไม่ได้ทำวจีสุจริตทำแต่มโนทุจริตไม่ได้ทำมโนสุจริตภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนสองประการนี้แล ตาปนียสูตรที่สจบสี 4. อตัตปาปณียสูตรว่าด้วยธรรมที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนสองประการนี้ ทำที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนสองประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. ทำแต่กายสุจริต 2. ไม่ได้ทำกายทุจริต 1. ทำแต่วจีสุจริต 2. ไม่ได้ทำวจีทุจริต 1. ทำแต่มโ น, โนสุจริต 2. ไม่ได้ทำมโนทุจริตเขาย่อมไม่เดือดร้อนอยู่ว่าเราทำแต่กายสุจริต ไม่ได้ทำกายทุจริตทําแต่วจีสุจริตไม่ได้ทําวจีทุจริตทําแต่มโนสุจริตไม่ได้ทํามโนทุจริตภิกษุทั้งหลายทาที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนสองประการนี้แลอัตตปณียสูที่สี่จบ ญานยาตะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ทรงรู้สัพพัญญุตยานภิกษุทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงธรรมสงประการธรรมสงประการอะไรบ้างคือหนึ่งความไม่สันโดษเพียงแค่กุศลธรรมทั้งหลาย 2. ความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรภิกษุทั้งหลายเราเริ่มตั้งความเพียรไม่ย่อ ย, ย่อนว่า จะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิดยังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจกไม่หยุดความเพียรสัมโพธิยานนั้นเราบรรลุได้ด้วยความไม่ประมาททำเป็นแดนกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยมเราก็บรรลุได้ด้วยความไม่ประมาท แม้ถ้าเธอทั้งหลายพึงตั้งความเพียรไม่ย่อหย่อนว่าจะเหลืออยู่แต่ห น, นังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิดยังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจากไม่หยุดความเพียรไม่นานนักก็จากทาให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์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 ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจกไม่หยุดความเพียรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้แลอุปัญญาตสูตรที่หจบ 6. สัญโยชนะสูตร ว่าด้วยกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ภิกษุทั้งหลายทํสองประการนี้ทํสองประการอะไรบ้างคือ1การเห็นธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์โดยความพอใจ2การเห็นธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์โดยความเบื่อหน่ายบุคคลผู้เห็นธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์โดยความพอใจอยู่ย่อมละราคะโทสะและโมหะไม่ได้ เรากล่าวว่าบุคคลยังละราคะโทสะและโมหะไม่ได้ย่อมไม่พ้นจากชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุบายาความคับแค้นใจและย่อมไม่พ้นจากทุกบุคคลผู้เห็นธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน โดยความเบื่อหน่ายอยู่ย่อมละราคะโทสะและโมหะได้เรากล่าวว่าบุคคลละราคะโทสะและโมหะได้แล้วย่อมพน้นจากชาติชรามรณนะโศกะปริเทวะทุกข์โทมนั์อุปายาตและย่อมพน้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายทำสองประการ น, นี้แลสัญญโฉนะสูตรที่หจบ เการหาสูตรว่าด้วยทำฝ่ายดําภิกษุทั้งหลายทำฝ่ายดำสองประการนี้ทำฝ่ายดำสองประการอะไรบ้างคือ 1. นึอหิริกะความไม่อายบาป 2. องโนตปะความไม่กลัวบาปภิกษุทั้งหลายทำฝ่ายดำสองประการนี้แลการหาสูตรที่7จ็จบ สุกสูตรว่าด้วยทำฝ่ายขาวภิกษุทั้งหลายทำฝ่ายขาวสงประการนี้ทำฝ่ายขาวสงประการอะไรบ้างคือ 1. ห, หิริความอายบาป 2. โอตปะความกลัวบาปภิกษุทั้งหลายทำฝ่ายขาวสงประการนี้แลสุกสูตรที่8จบ รสูตว่าด้วยจริยธรรมคุ้มครองโลกภิกษุทั้งหลายทำฝ่ายขาวสองประการย่อมคุ้มครองโลกทำฝ่ายขาวสองประการอะไรบ้างคือหนึ่งหิริสองอดตะปะทำฝ่ายขาวสองประการนี้แหลหากไม่คุ้มครองโลกชาวโลกไม่พึงบัญญัติว่ามานดาณป้าพัญญาของอาจารย์ หรือพัญญาของครูโลกจากถึงความสัมศนกันเหมือนพวกแพะแกะไก่หมูสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกฉะนั้นภิกษุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่ทําฝ่ายขาวสองประการนี้คุ้มครองโลกฉะนั้นชาวโลกจึงบัญญัติคําว่ามารดานาป้าพัญญาของอาจารย์หรือพัญญาของครูเจริยสูตรที่9จบ วัสุปนายกกะสูตรว่าด้วยการเข้าพรรษาภิกษุทั้งหลายการเข้าพรรษาสองอย่างนี้การเข้าพรรษาสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งการเข้าพรรษาต้นสองการเข้าพรรษาหลังภิกษุทั้งหลายการเข้าพรรษาสองอย่างนี้แลวัสุปนายกกะสูตรที่สิบจบ กรรมกระนัววัที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. วัชสูตร 2. ประธานสูตร 3. ตาปณิยสูตร 4. อาตาปณิยสูตร 5. อุปัญญาตสูตร 6. สัญโยชนะสูตร 7. กันหะสูตร 8. สุกสูตร 9. เจริยสูตร 10. วสุปนายกะสูตร 2. อ, อธาิกระวักโหมวดว่าด้วยอาิกรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระละสองประการนี้พระละสองประการอะไรบ้างคือ 1. ปฏิสังขาระพละกำลังคือการพิจารณา 2. ภาวนาพละกำลังคือการเจริญปฏิสังขาณพละเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าผลของกายยทุจิริตเป็นผลที่เลวซามทั้งในภพนี้และภพหน้าผลของวจีทุจริตเป็นผลที่เลวซามทั้งในภพนี้และภพหน้าผลของมโนทุจริต เป็นผลที่เลวซามทั้งในภพนี้และภพหน้าบุคคลนั้นครั้นเห็นประจักษ์ดังนี้แล้วย่อมละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตและวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตและมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์นี้เรียกว่าปฏิสังขณภละภาวนาภละเป็นอย่างไรคือในภละสองประการนั้น ภาวนาพร ะ, ะเป็นของพระเสขะบุคคลนั้นอาศัยพร ะ, ะของพระเสขะย่อมละราคะโทสะและโมหะได้ครันละราคะโทสะและโมหะได้แล้วเขาย่อมไม่ทำกรรมที่เป็นอกุศลไม่ประพฤติกรรมที่เป็นบาปนี้เรียกว่าภาวนาพระภิกษุทั้งหลายพร ะ, ะสองประการนี้แลพร ะ, ละสองประการนี้ พระสองประการอะไรบ้างคือ 1. ปฏิสังขารณ์ละ 2. ภาวนาพละปฏิสังขารณ์ละเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าผลของกายตุจริตเป็นผลที่เลวซามทั้งในภพนี้และภพหน้าผลของวจีทุจริตเป็นผลที่เลวซามทั้งในภพนี้และภพหน้าผลของมโนทุจริต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 บำเพ็ญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละบำเพ็ญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์บำเพ็ญวิริยาสัมโพชฌงค์บำเพ็ญปีติสัมโพชฌงค์บำเพ็ญปัสสติสัมโพชฌงค์บำเพ็ญสมาธิสัมโพชฌงค์บำเพ็ญอุเบกคาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละนี้เรียกว่าภาวนาพละภิกษุทั้งหลายพร ะ, ะสงประการนี้แหลพร ะ, ะสงประการนี้พร ะ, ะสงประการอะไรบ้างคือหนึ่งปฏิสังขณพละสองภาวนาพละปฏิสังขณพระเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่า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 บำเพ็ญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์นี้เรียกว่าปฏิสังขณาพละภาวนาพละเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว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 ผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วเพราะสมณัตและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุทถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าภาวนาพละภิกษุทั้งหลายภะระสองประการนี้แล พระธรรมเทศนาของพระตถาคตสงแบบธรรมเทศนาของตถาคตสงแบบนี้ธรรมเทศนาของตถาคตสงแบบอะไรบ้างคือ 1. ธรรมเทศนาแบบย่อสองธรรมเทศนาแบบพิสดารภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของตถาคตสงแบบนี้แล เพศให้อธิกรณ์ยืดเยื้อและไม่ยืดเยื้อในอนธิกรณ์ใดภิกษุผู้ต้องอาบัตและภิกษุผู้เป็นโจทยังไม่ได้พิจารณาตนเองให้ดีในอธิกรณ์นั้นพึงหวังได้ดังนี้ว่าจะเป็นไปเพื่อความยืดเยื้อเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายแรงและภิกษุทั้งหลายจากอยู่ไม่ผาสุกส่วนในอนธิกรณ์ใดภิกษุผู้ต้องอาบัตและภิกษุผู้เป็นโจทย พิจารณาตนเองให้ดีในอธิกรณ์นั้นพึงหวังได้ดังนี้ว่าจะไม่เป็นไปเพื่อความยืดเยื้อเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายแรงและภิกษุทั้งหลายจากอยู่ภาสุขภิกษุผู้ต้องอาบัตพิจารณาตนเองให้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้ต้องอาบัตในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าเราแลต้องอาบัตที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่าง เพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นจึงได้เห็นว่าเราต้องอาบัตที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างถ้าเราไม่พึงต้องอาบัตที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างภิกษุนั้นก็ไม่พึงเห็นว่าเราต้องอาบัตที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างก็เพราะเราต้องอาบัตที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างฉะนั้นภิกษุนั้นจึงได้เห็นว่าเราต้องอาบัตที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่าง ครั้นเห็นแล้วจึงไม่พอใจภิกษุนั้นเมื่อไม่พอใจจึงว่ากล่ า, เาวาาาเราผู้มีวาจาไม่น่าพอใจเราผู้มีวาจาไม่น่าพอใจถูกภิกษุนั้นว่ากล่าวจึงไม่พอใจเมื่อไม่พอใจจึงบอกแก่ผู้อื่นว่าด้วยเหตุนี้โทษในอธิกรณ์นั้นจึงครอบงำแต่เฉพาะเราเท่านั้นเหมือนในเรื่องสินค้า โทษย่อมครอบงำเฉพาะบุคคลผู้จำต้องเสียภสษีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ต้องอาบัตพิจารณาตนเองให้ดีเป็นอย่างนี้แหละภิกษุผู้เป็นโจ์พิจารณาตนเองให้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้เป็นโจ์ในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าภิกษุนี้แหละต้องอาบัตที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างเพราะเหตุนั้น เราจึงได้เห็นว่าภิกษุนี้ต้องอาบัตที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างถ้าภิกษุนี้ไม่พึงต้องอาบัตที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างเราก็ไม่พึงเห็นว่าภิกษุนี้ต้องอาบัตที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างก็เพราะภิกษุนี้ต้องอาบัตที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างฉะนั้นเราจึงได้เห็นว่าภิกษุนี้ต้องอาบัตที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่าง ครันเห็นแล้วจึงไม่พอใจเราเมื่อไม่พอใจได้ว่ากล่าวภิกษุนี้ผู้มีวาจาไม่น่าพอใจภิกษุนี้ผู้มีวาจาไม่น่าพอใจนี้ถูกเราว่ากล่าวจึงไม่พอใจเมื่อไม่พอใจจึงบอกแกผู้อื่นว่าด้วยเหตุนี้โทษในอธิกรณ์นั้นจึงครอบงำแต่เฉพาะเราเท่านั้นเหมือนในเรื่องสินค้า ย่อมครอบงำเฉพาะบุคคลผู้จำต้องเสียภาษีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์พิจารณาตนเองให้ดีเป็นอย่างนี้แลในอธิกรใดภิกษุผู้ต้องอาบัตและภิกษุผู้เป็นโจทย์ยังไม่พิจารณาตนเองให้ดีในอธิกรนั้นพึงหวังได้ดังนี้ว่าจะเป็นไปเพื่อความยืดเยื้อเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายแรง และภิกษุทั้งหลายจักอยู่ไม่พาสุขส่วนในอธิกรณ์ใดภิกษุผู้ต้องอาบัตและภิกษุผู้เป็นโจดพิจารณาตนเองให้ดีในอธิกรณ์นั้นพึงหวังได้ดังนี้ว่าจักไม่เป็นไปเพื่อความยืดเยื้อเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายแรงและภิกษุทั้งหลายจักอยู่พาสุข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 หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่สม่ำเสมอคือประพฤติไม่ชอบธรรมสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกพรามทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์เพราะเหตุแห่งการประพฤติสม่ำเสมอคือประพฤติ ช, ชอบธรรมสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พราหมณ์นั้นกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาะสิทของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะทำและเพราะไม่ทำพรามชานุสโณนิทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พรมสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะธทมและไม่ทำอย่างนี้พรามนั้นกราบทูลว่าข้าพระองค์ย่อมไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตที่ท่านพระโคโดมตรัสไว้โดยย่อดโดยพิจาราลได้ขอประธานวโรกาสขอท่านพระโคโดมโปรดแสดงธรรมโดยวิธีที่ข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิต ที่ท่านพระโคดมตรัสไว้โดยย่อดได้โดยพิสดารเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพราหมณ์ชานุโสนิทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้ทำแต่กายยุจริตไม่ทำกายสุจริตทาแต่วจีทุจริต ไม่ทำวจีสุจริตทำแต่มโนโทุจริตไม่ทำมโนสุจริตสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกเพราะทำและเพราะไม่ทำอย่างนี้แหลส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแต่กายสุจริตไม่ทำกายทุจริตทำแต่วจีสุจริตไม่ทำวจีทุจริตทำแต่มโนสุจริต ไม่ทำมโนทุจริตสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะทำและเพราะไม่ทำอย่างนี้แลพราหมณ์ชานุโสนิกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตโทษแห่งทุจริต5อยา่างครั้งนั้นท่านพระอาณน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอานน์กายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำโดยส่วนเดียวท่านพระอานนท์ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลทํากายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทาโดยส่วนเดียวบุคคลนั้น จะได้รับโทษอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อบุคคลทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่เรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำโดยส่วนเดียวบุคคลนั้นจะได้รับโทษดังต่อไปนี้คือหนึ่งแม้ตนก็ติเตียนตนเองได้ 2. ผู้รู้ใครครวญแล้วย่อมติเตียนได้ส กิติศัพท์อันชั่วย่อมกระชอนไป 4. หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเมื่อบุคคลทำกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตที่เรากล่าวว่าไม่ควรทำโดยส่วนเดียวบุคคลนั้นจะได้รับโทษนี้